เวลาเช้าของท่านผู้ฟังนะคะด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมงคลกันนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราพบกันก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่ส1บเอ็ดมิถุนายนพุทธศักราชัหห้าสิบสี่ค่ะเป็นวันขึ้นสิบข้ามเดือนเจ็ด บีเถนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารบุรุนก็คงจะทราบกันละค่ะว่าดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบุรณภิพุโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคูณหลวงพ่อดรด้วยสะอาดทิโตพาโศหรือท่านพระคูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศ ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะเราพูดกันในเช้าวันนี้ก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พยิบูลอภิพุโนกันเลยนะคะส่วนจะสนทนาทำในหัวข้ออะไรนั้นดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพี่น้องประชาชนชาวไทยเรามากทีเดียวค่ะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พิบูลอภิพุนโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระาาาอาจารย์เจ้าค่ะใช่อาจรย์พรสอาทูเจ้า อโยมเกินมาเมื่อสักครู่นี้วันนี้เป็นวันที่11มิถุนายนนะเจ้าคะ่ะ อ, อีกไม่กี่สัปดาห์โยมคิดว่าน่าจะประมาณสักสองสัปดาห์กว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราจําเป็นอย่างยิ่งถือเป็นหน้าที่นะเจ้าค่ะที่จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งสําคัญของบ้านเมืองซึ่งทุกคนก็คิดว่าขณะนี้ทั้งในส่วนกลาง ที่กรุงเทพมหานครเองหรือในส่วนต่างจังหวัดทุกจังหวัดนั้นเนี่ยภรคการเมืองต่างๆก็ได้ลงไปชี้แจง แสดงเหตุผลนะเจ้าคะที่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆที่ทางพักนั้นหรือบุคคลคนนั้นซึ่งเสนอตัวมาที่จะเป็นผู้แทนของเราคือเป็นผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราคัดเลือกเข้าเข้าไปหรือว่าลงคะแนนเสียงเข้าไปนั้นเนี่ยเขาก็คงจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเรานะเจ้าคะทีนี้เช้าวันนี้โยมก็เลยอยากจะขอนํำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนศึกษาแล้ว ก, กราบเรียนถามอ่าพระอาจารย์ภัยบุญอภพิพุโนเจ้าค่ะถึงลักษณะของผู้นําที่ดีนะเจ้าค่ะว่าควรจะมีอย่างไรในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้หรือว่าทรงตรัสไว้เจ้าค่ะว่าผู้นําที่ดีนั้นต้องมีลักษณะเช่นไรเจ้าคะ่ะ น, นี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ให้คุณตืนใจเจ้าคะ่ะแต่ถึงบุคคลที่เป็นผู้นำํำนี่เราพูดถึงผู้นําเลยน ะ, ะไม่ได้เอาผู้นําแบบธรรมดาธรรมดานะ เอาผู้นำที่เรียกว่าคือนำทั้งชีวิตคือไม่ใช่นำแค่สี่ปีห้าปีเจ้าค่ะเอานำตลอดชีวิตเราไม่ได้นำแค่ภูมิภาคเกดียัภูมิภาคหนึ่งนำทั่วโลกนะเป็นผู้นำทั่วโลกแล้วก็ไม่ต้องมีสมัยด้วยนำตลอดตลอดการตนัวช่วงชีวิตตัวเองดับไปเจ้าค่ ะ, ะนั่นคือผู้นำที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าสกป ร, รัตตเจ้าค่ ะ, ะคือมีคุณสมบัติที่มีความเป็นพระเจ้าสกป ร, รัตตตรงนี้เป็นแง่มุมที่เาจะ ม, มาได้มาลองเคราะห์ดูซึ่งซึ่ง อาจจะชี้ชวนท่านผู้ฟังให้ลองวิเคราะห์ดูตรงนี้ด้วยว่าเราพอเรามาวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งคําสอนพระเจ้าเนี่ย <Okay. S 2> เราจะพบแง่มุมที่เกี่ยวกับการเมืองบ้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้ที่ว่าพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการ <Okay. S 2> แต่ลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยคือลักษณะตามร่างกายนะว่ามีตาสีเขียวมี มีคุ้มขนขนคุ้มละเส้นอย่างเงี้ยน ะ, <Okay. S 2> มะมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนิ่มแรงต่างเนื่องจากเป็นผลของกรรมที่พระองค์ได้ทรงทํามาในชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลไหนที่ทํากรรมอย่างนี้พอกพูนไว่มากๆมากๆเนี่ย <Okay. S 2> เกิดมาชาติถ่อๆไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะอย่างนี้นั่นคือลักษณะสาสิบสองอย่างคนที่มีลักษณะสามสิบสองอย่างเนี่ยนะถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นคารวาสบ้างกันเถอะ จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะําประเทศชาตินําทั้งโลกเลยไม่ใช่ประเทศชาติอย่างเดียวน ะ, ะยกตัวอย่างประเทศไทยตอนเนี้ยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงภูมิพลของเราเนี่ยเป็นเป็นผู้นําประเทศถูกไหมก็นําประเทศเดียวแต่ถ้าประเทศอื่นๆเขาก็จะมีผู้นําของเขาไปแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนําทั่วโลกนึกว่าทั้งโลกเนี่ยมีองค์เดียวซึ่งในปัจจุบันนี้เราไม่มี เราไม่มีบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นผู้นํำถึงขนาดนั้นมาเป็นผู้นําอันนี้ยกไว้ในกรณีหนึ่งกรณีที่สองคนที่มีลักษณะมหาบุตรสามสิบสองประการเนี่ยจะถ้าเป็นสมณะเป็นพระเนี่ยจะเป็นศาสดาที่เป็นศาสดาเอกในโลกคือเป็นสามาสบุตรเจ้าเจ้าโจ้ค่ะทีนี้ตรงเนี้ยธรไมวิทยาธรรมามองเห็นแง่มุมว่าโอ้ถ้าเจ้าชายสินทัตเนี่ยไม่ออกบวชนะเลือกเข้าสู่ความเป็นสายการเมือง นี่เป็นต้นน ะ, ะก็จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากนะทุกบอกซ้ายทุกคนซ้ายหมดไม่มีใครยุกมือขัดขันอย่างนี้น ะ, ะบอกขวาทุกคนขวาหมดไม่มีใครบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่างนี้น ะ, ะเป็นผู้นําที่มีความมีบารมีขนาดนั้นนะไม่ต้องทุบโตะทุกคนเอาตามหมดอย่างนี้นะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้โอ้โหเพราะว่าเหตุหลายหลายอย่างมากในแต่ละสามสิบสองอย่างนั้นเนี่ยก็มีเหตุของแต่ละอย่างนั้นอีก นะซึ่งทำให้พระองค์เนี่ยมีความสามารถถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราเอาพูดกันง่ายๆว่าเราคนที่จะมีความสามารถอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ น, นําเวลาที่นี่เป็นพุทธประชนะนะว่าพระเจ้าจักรพรรดิองค์เนี้ยพอเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเนี่ยมีทรัพย์เจ็ดอย่างมีฤทธิ์สี่อย่างทรัพย์เจ็ดอย่างเนี่ยก็คือมีจักแก้วนั่นคือความเขาเรียกว่าบา ร, รมีควนะความสามารถในการที่จะปกครองทั่วโลกได้ ใครเห็นใครก็อ่มีความก็เรียกว่าให้มีความเชื่อฟังอย่างเงี้ยด้วยเนื่องจากบารมีของของผู้นั้นอย่างอย่างท่านผู้ฟังอาจจะมีประสบการณ์นี้ว่าแมมเราเห็นคนนี้เราก็ชอบแต่เห็นหน้าอีกหมอนหนึ่งเราไม่ชอบเลยเราไม่เรื่องมันหรอกแต่นี่ก็ที่ฉันชอบแหล ะ, ะ, ะนะเราก็อาจจะมีความรู้สึกนี้แต่ซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะมีความเป็นผู้นําวังกันเถอะมีคนยำเกรงนะใช่ใช่มีคน อีบาม ร, ม, รมีว่างั้นเถอะเนี่ยด้วยคุณสมบัติอันนี้ติดจากแก้วจากแก้วของพระองค์มีอยู่มีอยู่อมีทรัพย์ทั้งหมดเจ็ดอย่างหนึ่งในอย่างนั้นคือจักแก้วเวลาที่จะเป็นปกครองเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้เนี่ยจะมอบแนวนโยบายในการบริหารให้กับพระราชา ท, ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นถ้าจะเปรียบเทียบก็คือคนที่ปกครองภูมิภาคเนี่ยจะได้รับนโยบายจากพระเจ้าจักรพรรดินี้นโยบายนั้นก็คือเรื่องอะไรหนึ่งท่านทั้งหลายอยากข้าสัตร์ ท่านทั้งหลายอย่าลักทรัพย์ท่านทั้งหลายอย่าประพฤติผิดในการท่านทั้งหลายอย่าแกล้งกล่าเท็จท่านทั้งหลายอย่าดื่มสุรามีอะรอันเป็นที่ใต้าง่งความประมาทแล้วก็จงปกครองเมืองกันตามเดิมเถิดนะเพราะนั้นกฎหมายอะไรต่างๆรีเบรตอะไรต่างๆที่เป็นสมบูรพิพากษานั้นท่านก็ดูแลไปนะแต่ว่าให้มีแนวนโยบายอย่างนี้อย่าฆ่าการยาสี่ห้าว่างั้นเถอะค่ะให้มีความปกติห้าอย่างอย่างนี้คนเราเนี่ยคน ท, ทั่วไปเนี่ยจะมีความปกติในการที่จะตั้งใจไม่ฆ่าเขา จะมีความเป็นปกติในการที่จะตั้งใจไม่รักทรัพย์มีปกติในการตั้งใจที่จะไม่อประพฤติในกาลมีปกติตั้งใจที่จะไม่แกล้งกล่าวเท็จมีปกติตั้งใจที่จะไม่ดื่มสุรามีไรอันเป็นที่ตั้งของความประมาทส่วนกฎหมายอะไรต่างๆคุณก็ดูแลปกครองกันไปนี่คือแนวนโยบายที่คนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคนที่มีความเป็นผู้นําที่มากที่สุดเนี่ยในโลกนี้จะมีได้เนี่ยจะทําอย่างนั้นค่ะ ซึ่งเจ้าจชายศรสักษาเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะเป็นผู้นำตรงนั้นแต่เลือกที่จะมาเป็นสมณะเป็นพระแล้วก็จึงเป็นศาสดาเกของโลกได้ประกาศเรื่องของธรรมวินัยนี้เอาไว้ทีนี้แง่มุมที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการปก ค, ครองที่พระเจ้าได้บอกอไว้เนี่ยก็คือว่าคนที่จะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำคนที่จะมาเป็นพระเจ้าจัากรพรรดิอย่างนี้ได้เนี่ยนะ คุณต้องมีสามอย่างะได้เคยตรัสเอาไว้ในพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเมตตาสามอย่างนั้นอย่างแรกน่ยคือเรื่องของฐานต้องมีการให้อ่าคนที่จะมาเป็นผู้นําเนี่ยคุณต้องให้เป็นนะมีฐานสองมีการข่มบังคับใจนะการข่มบังคับใจที่เราได้พูดไปแล้วในตอนที่ผ่านมาตอนนู้นๆอ่ะนะว่าต้องรู้จักตริติดเบรกให้จิตฉะนั้นะมีการหยุดบ้างมีการเดินหน้าบ้างอย่างนี้นะต้องรู้จังหวะในการที่จะหยุดจะถอย อย่างที่สามเนี่ยต้องมีการสำรวมระวังในการสำรวมระวั ง, งในการที่จะสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นพอเรามีคุณธรรมสามอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าด้วยคุณธรรมสามอย่างที่เรามีเนี่ยนะเราตามระลึกเลยเสียสงไข่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทําสกุลใดให้เดือดร้อนด้วยคุณธรรมสามอย่างนี้ จ, จะไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนจากการที่เรามีสามอย่างนี้เลยอืนะประชาชนก็ตามอ่ลูกพัก เพื่อนร่วมงานคุณที่เป็นหัวหน้าอะไรต่างๆจะไม่มีความเดือดร้อนจากคุณธำสามประการนี้เลยหนึ่งอะไรทานสองการข่มบังคับใจนะสามการสํารวมระวังสามอย่างนี้ <c oughs> การสํารวมระวังเนี่ยอันนี้แน่นอนอย่างหนึ่งในการสํารวมระวังเนี่ยมีเรื่องของศีลอยู่อ่ะแน่นอน <c oughs> ถูกัหมการข่มบังคับใจก็มีเรื่องของศีลอยู่แน่นอนนะแล้วจะผิดศีล <c oughs> ไม่ทําก็เล่ากันเบรค อย่างนี้นะคนนั้นก็จะให้เรา อ, อยุให้เราแตกกันเอเราให้ด่าเขาเขาละกัน <Okay. S 1> เราติดเปรตอย่างนี้ทําความเข้าใจให้เกิดขึ้น <Okay. S 1> เป็นผู้ที่ไม่กล่าววาจาที่ทําให้แตกแยกกันนะเป็นผู้ที่พอใจในความพร้อมเปลี่ยนยินดีในความพร้อมเรียงกล่าวแต่วาจาที่ทําให้คนนั้นพร้อมเรียงกันนะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็ไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลกนะพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นเป็นผู้ที่มี มีวาจากับการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกันนะคือสมมุติกล่าวว่าเราไม่โกหกเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ทําอย่างนั้น <Okay. S 2> น, นี่คือพื้นฐานห้าอย่างอนะ่เราประกาศตัวว่าเราเป็นคนมีศีลแล้วเราก็มีศีลจริงๆอย่างน้นนะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นผู้นําได้อแล้วก็คนที่มีคุณสมบัติสามอย่างเนี่ยนะคือทานการกลุมบังคับใจแล้วก็การสำรวจระวังนี่ <Okay. S 2> อาจจะเป็นผู้ที่คนอื่นรักด้วย เพราะทานเนี่ยเป็นหนึ่งในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะอ่การสงเคราะห์กันด้วยกันให้ทานการแบ่งปันการให้ปันเนี่ยก็จะทําให้เป็นคนที่อคนอื่นรักอ่ะเรามีอะไรเราก็แบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะอ่าฉันมีข้าวเที่ยงสองจานฉันแบ่งให้เธอจานหนึ่งหรือว่าทาอาหารมาก็แบ่งให้ซึ่งกันและกันกิน่อก็จะช่วยทําให้สังคมไปได้สงเคราะห์กันได้ จ่าสงเคราะห์ด้วยกันให้ทานสงเคราะห์ด้วยปีญญาปราชญนะั่นคือการพูดดีๆให้กันจ้าแล้วก็คนที่เป็นผู้นำํำที่พระเจ้าพูดถึงในหลักการปกครองประเทศเนี่ยนะอนอกจากมีอลักษณะมหาบุรุษสามสิบสองประการคือจะไล่กลับไปให้ฟังนิดหนึ่งว่าคนที่มีลักษณะมหาบุรุษสามิบสองประการเนี่ยถ้ามาเป็นผู้นําทางโลกเนี่ยจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากาผู้นําที่ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ย จะมอบแนวนโยบายในการบรนประเทศเนี่ยให้ห้าข้อก็คือเรื่องของสี<ช>่หนะ้าผู้ที่เป็นเป็นมาเป็นผู้แรนประเทศเนี่ยจะมีคุณธรรมสามอย่างในตัวของผู้นั้นเองนั่นคือเรื่องของทานเรื่องของศีลธรรมการากดบังคับใจและการสมมรวมระวังนะคะแล้วก็การบริหารงานของบุคคล น, นี้เนี่ยก็จะมีผู้ช่วยต่างๆนะพุทธเจ้าได้เคยตรัสสองอย่างในเจ็ดอย่างสองอย่างนั้นคือเรื่องของคนที่ มีอ่าปริญนายกแก้วนะคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ที่จะมาดําเนินการบริหารปกครองบ้านเมืองอ่าคือกุญซือว่างั้นเถอะกุญซือเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็เหมือนกัเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาเป็นเสืเป็นเสอใส่<า>ิดเจ้าไหมอย่างงี้นะเจ้าคะ่ะหรือว่าเป็นอ่ารัฐมนตรีมหาไทยไหมประมาณเนี้ยนะฝ่ายนะือฝ่ายปกครองฝ่ายดูแลการปกครองเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่ฉลาดมากนะต้องรู้ว่า ควรจะเลื่อนใครขึ้นควรจะปลดใครหรอกต้องมีคนแบบนี้คุณจะรู้ว่าคนเนี้ยเหมาะกับ ง, งานนี้คนนี้งานนี้ไม่เหมาะอาออกอย้ายไปทำงา น, น, นต้องมีความสามารถนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูแลบ้านเมืองให้รอดพ้นให้ไปได้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าตําแหน่งนี้ต้องเอาใครมาเป็นอธิบดีตําแหน่งนี้ต้องเอาใครมาเป็นอ่นรัฐมนตรีตาแหน่งนี้ต้องเอาใครมาเป็นประหลัดถึงจะสามารถทําการงานเนี่ยให้ราบเรียบไปได้แต่บางคนอาจจะ เลื่อนตำแหน่งถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าต้องรู้ว่าใครเหมาะกับงานเอางานเป็นหลักอย่างนี้นะนี่คือความสามารถของคนนี้ต้องรู้ว่าจะเลื่อนใครขึ้นจะเอาใครออกใครเหมาะกับงานไหนคนที่สองที่ที่ผู้นาคนนี้ต้องมีคือคนที่บริหารงานเรื่องการคลังเรื่องการคลังต้องรู้ว่าเงินเนี่ยอยู่ที่ไหนการคลังนะว่าการลงทุนที่ไหนถึงจะเงินงอกเงย เอเงินที่จะเอามาในกลังหลวงเนี่ยมีแต่เพิ่มไม่มีลดรู้ว่าทรัพย์ตรงไหนมีโชคของทรัพย์ตรงไหนไม่มีโชคของเอา ม, มาให้ได้ดังนั้นต้องมีคนที่มีความสามารถอย่างนี้ในเรื่องการปกครองถึงจะเรียกว่า เ, าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้เ ร, เราเรายังไม่เห็นอาตมาเรยังไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาอืกค่ะอืมลักษณะ น, นี้ถ้าเราทำได้เราจะดีมากเอาง่ายๆก่อนที่เราทําได้ก่อนเลยเป็นเดินใจแต่ถ้าอา ผู้แทนทุกคนนะนักเกิลเมืองทุกคนเป็นคนมีศีลแมมันจะดีมากๆเลยเา่ <c oughs> อศีลห้าข้อนี่แหละไม่ต้องเอามากนะบางนิยมพระพุทธเจ้าเอาเหลือแค่สามข้อแรกแล้วเอาสัมมาวาจาอีกสิบข้อใส่เข้าไป <c oughs> นะอาจจะดื่มได้บ้างนิดๆหน่อยๆ <c oughs> แต่สัมมาวาจาสี่ข้อเนี่ยต้องมีนะคือศีลสามข้อแรกคืออะไรคื อ, อมีความเป็นปกติในการตั้งใจที่จะไม่ฆ่า <Genau. c oughs> มีความเป็นปกติในการที่ตั้งใจที่จะไม่ลักรับ <Genau. c oughs> มีความเป็นปกติในการตั้งใจที่จะไม่ประพติดในกรรม <Genau. c oughs> มีความเป็นปกติในการที่จะไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ปิดตโลก เ, เป็นปกติเลยที่บุคคลนี้จะตั้งใจไม่พูดยุยงให้แตกกันเป็นปกติที่บุคคลนี้จะตั้งใจที่จะไม่พูดหยาบเป็นปกติที่บุคคลนี้จะตั้งใจไม่พูดเผชิญแล้วก็เป็นปกติที่บุคคลนี้จะตั้งใจไม่พูดวาจา อยากเจ้าค่ะทั้งหมดเจ็ดอย่างรู้สึกเจ็ดอย่างนี้ <8 S 1> ที่อ ง, ทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เนี่ยเจ้าค่ะยมคิดว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้แทนที่ประชาชนชาวไทยอยากจะได้มากที่<ช>สุดเลยเจ้าค่ะอ่าเขาจะมีนโย บ, บายยังไงก็ได้นะจะส ร, ร้างอ้นั่นจะทําไอ้นี่จะมีโครงการนั้นโครงการนี้ดีแล้วนะอย่างน้อยเขาต้องมีเจ็ดอย่างนี้นะ ทวนอีกครั uh you know ้งได้ไหมเจ้าคะอย่างแรกเนี่ยบุคคลนี้จะต้องมีเป็นปกติที่เขาจะตั้งใจไม่ค่ะไม่ค่าสัตว์นะเจ้าคะบุคคลนี้นะจะต้องเป็นปกติที่เขาจะตั้งใจไม่หลักทรัพย์เจ้าค่ะฟังให้ดีนะบุคคลนี้เนี่ยเขาจะต้องมีความปกติเป็นปกติที่เขาจะตั้งใจไม่ประพฤติในการเจ้าคะเป็นปกติที่เขาจะตั้งใจไม่พูดโกหกเป็นปกติที่เขาจะตั้งใจไม่พูดยุยงให้แตกันะเป็นปกติที่เขาจะตั้งใจไม่พูดเบอร์เจอ เป็นปกติเลยที่เขาจะตั้งใจไม่พูดคําหยาบจุคะ่นะถ้าเขามีปกติอย่างนี้แม่เป็นคนดีมากมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นํามีคุณสมบัติของที่จะพาบ้านเมืองให้พ้นจากวิกฤตได้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะของคนที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคะ่ะต้องมีสี่แน่นอนจุกคะ่ะ เ, เราไม่ได้พูดถึงว่าไม่ต้องดื่มเหล้าเลยนะเอาแค่เจ็ดอย่างนี้แหละทําให้ดีเลยดื่มเหล้าได้นิดหน่อยสํารวมในการดื่มน้ําเมา เป็นมงคลอันนี้แยกไว้ก่อน <Okay. S 2> แต่ว่าขอให้มีเสร็จอย่างนี้คุณดื่มแล้วคุณอย่าผิดอย่าพูดหยาบอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดโกหกแล้วกันอ่า <Okay. S 2> นั่นคือจุดของการที่จะไม่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเลือกคนที่จะมาแก้ปัญหาบ้านเมืองให้ได้เนี่ยนอกจาก เ, าเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆแล้วคือนโยบา ย, ยาต่างๆเนี่ยเป็นข้อที่สองแล้วกัน <Okay. S 2> เอาที่บุริษาทตรัสไว้ก่อนนะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานเจ็ดอย่างนี้ มีสมบัติคือเรื่องของสี่ห้านะฮะหรือเอาข้อข้อสาม ข, อ 4, ขอออ้อสี่กับข้อห้าออกเหลือสี่สามข้อแรกแล้วเอาสัมมาวาจาใส่เข้าไปเป็นสี่เจ็ดอย่างเนี่ยทําไม่ได้บุคคลนั้นต้องมีข้อ น, นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะสร้างอะไรจะไปบนนั้นมันถึงจะไปได้ <Okay. S 1> คุณตันใจธรรมาจะบอกให้สีนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นเหมือนพื้นฐาน <Okay. S 1> เป็นเหมือนฐานอันนี้เป็นพุทธวจนะนะ <Okay. S 1> แล้วสมาธิกับปัญญายืนอยู่บนนี้ เป็นฐานของวีมุดศรีเนี่ยเป็นฐานเพราะนั้นถ้าฐานไม่ดีเนี่ยนะสร้างอะไรเนี่ยต่อให้มันสวยหรูสูงทรงเลิศหรูอลังการขนาดไหนพังแน่นอนค่ะพื้นไม่ดีเนี่ยไม่ได้อย่างเราจะสร้างบ้านเนี่ยคุณตื่นใจถ้าเราเราทําทพื้นไม่ดีก่อนนะสร้างบ้านเนี่ยต่อจะให้ใช้วัตถุเลิศหรูขนาดไหนศิลปกรรมแม่อลังการ เ, เด็กขั้นถอยมันจะพัง<ช>จะมีรอยร้าวตรงนั้นตรงนี้แล้วซ่อมพื้นเนี่ยซ่อมยากที่สุดค่ะ ต่อให้หลังคาพางผนังพางยังดีกว่าพื้นเสียเพราะนั้นสีเนี่ยจึเป็นพื้นฐานที่สําคัญเพราะนั้นต่อให้นโยบายเลื่อนหรูอลังการอย่างไงถ้าพื้นไม่ดีนะมันจะส่งผลเช่นอคนที่จะรับงานใหญ่ได้เนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานที่สําคัญถ้าพื้นฐานที่ไม่สําคัญเนี่ยพื้นฐานไม่ดีเนี่ยนะอย่างสมมติมีความโลภมีความรักทรัพย์เป็นปกติเนี่ยตั้งจิตที่จะรักนะตั้งจิตที่จะรักเป็นปกติ พอมีงบประมาณให้มาเนี่ยงบประมาณเนี่ยครึ่งหนึ่งเอาไปใช้อีกครึ่งหนึ่งหายไปหายไปไหนไม่รู้เพราะฉันตั้งใจในการที่ฉันรักแหละมันจะเสื่อมหลายอย่าง่อาต่อให้คนที่อ่าพื้นแต่ถ้าคนเป็นพื้นดีมาเขารับงบประมาณมางบประมาณทั้งหมดเนี่ยถูกแจกจ่ายหรือใช้สอยในสิ่งที่ถูกต้องันดีไม่ดีออกมายังไงมันยังได้เต็มยังในพื้นก็ยังดีสิ่งก่อสร้างเนี่ยต่อให้พื้นดีนะ อถ้าพื้นดีแล้วเนี่ยเราสร้างเล็กๆก่อนก็ได้เราค่อยขยายค่อยขยายมันก็จะเป็นเลิศหรูอลังการได้แต่ถ้าพื้นไม่ดีเนี่ยคุณเปือนใจต่อให้เขาเอามาฉาบไว้อย่างดีนะเอาคอนกรีตมาเทแต่ไม่ได้ปรับพื้นขึ้นดีให้ในข้างในเนี่ยอย่างดีที่สุดก็รับเสเด็จได้แบบเดียวแบะเดียวประดาวนั่นเองช่วงเลกตั้งนั้นแหละเนี่พอเลยไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มแตกอ่ะ จ, จะเห็นหน้าแตกจะเห็นพื้นเสียเราสร้างอะไรไปบนนั้นเทคลื่นะ เนเรื่องที่ต้องระวังมากพื้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะพื้นเนี่ยศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอาศัยศีลจึงมีปัญญาได้มีปัญญาต้องอาศัยศีลเหมือนมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยต้องเวลาจะล้างเนี่ยมือซ้ายต้องถูมือขวามือขวาต้องถูมือซ้ายต้องไปด้วยกันนี่ <Okay. S 1> เป็นอุปมาอุปไมยของพระเจ้าศีลก็ต้องมีปัญญาปัญญาก็ต้องมีศีลคุณจะมีความคิดในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองนะศีลต้องเป็นพื้นฐานช่นะอเพราะนั้นศีล เรื่องสําง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานบางคนอาจจะมองไม่เห็นอย่างคุณจะสร้างตึกร้อยชั้นเลยคุณตื่นใจไม่รู้เาืองไทยมีหรือเปล่า ม, มีมีอยู่อ่ามีเจ้าค <ฮะ S 2> ่าาะเขาจะต้องฝังรากตอกเสาเข็มเนี่ยตอกให้ลึกทําให้ดีให้แน่นแฟนถูกไหมวางฐ<ต>านให้ดีอ่า<ม>แต่เวลาเขาวางฐานเนี่ยคุณไม่ไปเห็นนะมันอยู่ข้างใต้ใช่ไหม <ฮะ S 2> เวลาอยู่ข้างใต้นเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าไอ้มันทํางานหรือเปล่า สร้างตึกนี้ทําไมมันตั้งนานแล้วไม่เห็นขึ้นชั้นหนึ่งะที่วราะมันทําฐานอยู่ใชไ่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เราเวลาเราจะต้องดูเนี่ยเราต้องดูให้ดีมันอยู่ข้างล่างอาจจะมองยากะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเวลาชาวนาเขาจะปลูกข้าวอย่างเงี้ยบางคนก็จะมองเห็นแต่รวงข้าวต้นเขียวต่างๆแต่เวลาเขาตับพื้นเวลาเขาใส่ปุ๋ยพรวนดินอ่าไถนาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องทําเป็นหลักก่อน เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าใครที่ไหนเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนมีศีลเป็นคนมีคุณสมบัติเจ็ดนะ อ, อย่างนี้นะหรือห้าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เขาพัฒนาไปได้แล้วคนที่มีศีลเนี่ยคุณเตือนใจจิตของเขาเนี่ยจะไม่กังวลพอเขาไม่กังวลแล้วเนี่ยเขาเข้าอยู่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันความคิดมันจะไปได้จ ะ, จะไม่จะไม่มีความคิดว่าเฮ hey, ฉันพูดอะไรไปวะ เดี๋ยววต้องไปตามแก้มันจะคิดอย่างนี้นะต้องไปตามโกหกไอ้<ช>ที่เราเคยโกหกไว้แล้วเนี่ย<ช>มันก็จะจิตก็จะวุ่นวายไม่สามารถคิดงานที่ดีๆใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะนี้แหละ เ, เรื่องของการฉาบหน้านิดนหน่อยหน่อเพื่อตามเสด็จเราต้องสังเกตให้ออก<ช>เราต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมถ้าเราเป็นก็เรียกอุบาสกบาสิกาในธรรมวินัยเนี่ย เราเอาเรื่องพื้นฐานนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วเราก็ค่อยพิจารณาไปจากนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการปกครองบ้านเมืองน่ะพุทธเจ้าก็สอนใ่ไหมคไม่ใช่ไม่สอนสอนในแง่มุมที่ว่าเรื่องของศีลนะเรื่องของทานคนที่จะมีพื้นฐานดีในการที่จะปกครองบ้านเมืองได้ต้องมีฐานดีนัคือเรื่องของศีลศีลจะเป็นห้าข้อก็ได้จะเป็นเจ็ดข้อก็ได้นะเสร็จแล้วคนที่เป็นผู้นําที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น เราคุณต้องมีเพิ่มเติมเรื่องของทานเรื่องของการสรํารวมระวังเรื่องของการกลมบังคับใจใะจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า น, นั้นได้่อาแล้วก็มีแง่มุมนิดนิดหนึ่งตรงนี้ว่าจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นผู้นํายิ่งใหญ่เนี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย<ม>แนวนโยบายที่เขาให้อาไว้เนี่ยจะเป็นแนวนโยบายที่กว้างๆนั่นคือแค่สี่ห้าใ ช, ใช่ไหมส่วนเรื่องการออกกฎหมายเล็กๆเงี้ยอะไรต่างๆเนี่ ก็ไปพิจารณาเอาในในกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตถึงความใจกว้างนะของคนที่จะมาเป็นผู้นําต้องเป็นคนที่มีความใจกว้างเป็นคนที่เปิดเปิดก็เรียกว่าเปิดเผยเพราะงั้นเถอะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งเหมือนกับกับฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วยใช่หมัจ้าคะเจ้าคะในการรับฟังนั้นก็อยู่ในแนวของศีลเจ้าคะอันนี้ก็เรียกว่าพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะ อ่สาสักชาหรือว่าสนทนาธรรมมาในประเด็นที่ดึงมาจากพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านผู้ฟังคะว่าผู้นำที่ดีหรือว่าลักษณะของผู้ที่ในสมัยโบราณก็จะบอกว่าผู้ที่เป็นพระจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ปกครองโลกนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติกันอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังรับฟังแล้วก็คงจะพอที่จะ นำมาเป็นข้อมูลได้นะคะว่าเรากำลังจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะเลือกผู้แทนรัษดรซึ่งก็คือผู้ที่จะต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราเนี่ยเราควรจะเลือกคนอย่างไรเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองของเรานั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยในสองนาทีสุดท้ายที่เหลืออยู่นี้อยากขอกราบความเมตตาพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนเจ้ค่ะว่าขอให้พระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดนิดนึง สำหรับบรรดาคนที่ได้เสนอตัวเข้ามาที่จะเป็นผู้แทนราษฎรหรือว่าซึ่งในอนาคตก็คือไปจัดตั้งรัฐบาลที่จะดูแลบ้านเมืองนี้ต่อไปเจ้าค่ะว่ า, า, วาควรจะยึดถืออะไรจากหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระธรรมมาถึงพุทธเจ้าเจ้าค่ะคนที่มาเป็นอาสาสมัครในการที่จะรับใช้บ้านเมืองเป็นผู้แทนเนี่ยก็ในเมื่อคนที่จะเลือกเราเนี่ยเขาก็ต้อูจากเรื่องของศีลดังนัน้นเราก็ต้องเป็นคนที่มีศีล การมีสีเนี่ยมันไม่ได้ยากคุณเตินใจแค่เรามีปกติตั้งใจไม่ขัดสัตย์มีปกติเป็นปกตินะที่ฉันเนี่ยตั้งใจไม่รักทรัพย์เป็นปกติที่ฉันตั้งใจไม่ประพฤติุิฏในการนะตั้งใจในการที่จะไม่กล่าวเท็จตั้งใจที่จะไม่พูดเพ้อเจ้อตั้งใจที่จะไม่พูดคําหยาบตั้งใจที่จะไม่พูดยุยงให้แตกกันตั้งใจทําได้ไม่ได้คุณค่อยพัฒนาไปแต่ขอให้มีความจริงใจมีความตั้งใจโดยเป็นปกติ ใ้เราทําอย่างนั้นมีทิศทางไปแนวแนวธรรมวินัยนะธรรมะจะรักษาเรานะแล้วเราก็จะช่วยบ้านเมืองให้ผ่านพ้นไปได้ธรรมะรักษาเราเรารักษาธรรมะเรารักษาศีลศีล ร, ร, รักษาเราอย่างนี้จะเราจะผ่านพ้นไปได้มีความจริงใจเนี่ยอย่างน้อยให้ตั้งใจที่จะทํเจ้าอ่ามีความตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะก็จะเป็นคนที่อเรียกว่าโลกสารเสริญนะเจ้าค่ ะ, ะก็ ผมคิดว่า การสักษาหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พิบุรนพิบุโนในเช้าวันเสาร์ที่11มิถนายนสองพซึ่งใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะคงจะเป็นแง่คิดเกี่ยวกับมุฟังทางบ้านในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการที่จะเลือกผู้แทนรัษฎรหรือก็คือเลือกผู้นําประเทศที่จะนำพาประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อันนี้ก็อิงมาจากพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ค่ะถึงเวลาที่จะต้องอกราบอำลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะแล้วก็กคงจะขอรินเชินชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้มา กราบนมัส ก, การขอบพระคุณและกราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์ปับุญอภิปุโนซึ่งท่านได้เมตตาเป็นองค์ปุชาประจํารายการของเราของธรรมารบรุนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเติ่นแต่ตีหเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์ปับุญอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัส ก, การขอพระคุณและกราบนมัส ก, การลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจริญเฉลิมพรสาธุเจ้าค่ะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกานาทีทงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ